พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในคิทเฟเยซูตอนที่สามอสิบสามเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบแปดขออย่านำข้าพงทั้งหลายเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้ผมจะขอมอบข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องที่เราจะเอาชนะความผิดบาปและการทดลองได้ข้อพระคัมภีร์มีดังนี้ครับ ยากรบทที่สี่ข้อสิบเจ็ดเตฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทําคนนั้นจึงมีบาปเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทําคนนั้นจึงมีบาปยากรบบทที่สี่ข้อสิบเจ็ดครับฮีบรูบทที่สี่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 ทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปอีบรูบที่สีข้อสิบห้าครับพระกัมพีตอนที่สาครับมัทธิวบทที่สีข้อที่สีครั้งนั้นพระวิ ญ, ญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในทินทรักกันดารเพื่อมันจะได้มาประจน ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษ ของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนที่สี่ครับสชดุล ด, ดีบทที่หนึ่งร้อสิบเกข้อสิบอ็ดข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อฆ่าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์สุดติบทที่หนึ่งข้อ1 1นะครับพระคัมภีร์ตอนที่หครับเอเฟซัสบทที่สข้อยี่สิบสองถึงยี่ิบสเกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหา อันลอดลวงของมันเพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่เพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพี่น้องครับขั้งพีตอนนี้คัดลอกมาจากพระธรรมอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง เอเฟซัสบทที่สข้อ22ถึงสเกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตันหาอันล่อลวงของมันเพื่อรับการสร้างข้าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพระคัมภีร์ตอนที่หกครับอยู่ในพระธรรมยา ก, กอบบทที่สี่ข้อที่เจ็ดเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมานและมันจะหนีท่านไปเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจ ยอมฝังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปอีกสองข้อสุดท้ายครับตอนที่เจ็ดและตอนที่แปดเมื่อวานนี้ผมก็ได้แบ่งปันไปแล้วแต่ผมอยากจะกล่าวย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามหลา ย, ลยท่านคงจำได้นะครับผมใช้ข้อพัมพ์นี้บ่อย เพื่อที่จะการันตีความรักของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับการันตีเรื่องของการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับจะเป็นการดีที่พี่น้องจะจำและท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ครับหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามไม่มีการทดลอง ใ, ใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรม ทรงจะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ถ้าคำพีตอนสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยากรบทที่หนึ่งข้อสิบสองพระธรรมยากรบทที่หนึ่งข้อสิบสองคนที่อด ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คนที่อดทนต่อการทดลองใจได้ก็เป็นสุขเพราะว่าเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลาย ที่รักพระองค์พี่น้องครับก่อนที่จะจากกันในเช้าวันนี้ผมจะมอบคำอธิษฐานของมาธินลูเทอร์นะครับมาธินลูเทอร์หลายหลายท่านรู้ครับว่าท่านเป็นนักปฏิรูปศาสนาออกจากแคทอลิกให้มากลายเป็นรีฟอร์มหรือที่เราเรียก ติดปากกันว่าโปรเ e สแตนต์แคำว่ารีฟอร์มนั้นแปลว่าปฏิรูปครับท่านปฏิรูปาศาสนานะครับจากความเสื่อมของาศาสนาจักรแคทอลิกซึ่งไม่ยึดถือพระคัมภีร์เป็นหลักแต่ยึดถือ r a d ดิชันหรือประเพณีนะครับควบคู่กันไปกับพระคัมภีร์ซึ่งตีความตามาศาสนาจักร หรือตีความตามผู้นำของศาสนจักรนั่นเองมาธีลูเทอร์นั้นได้เสี่ยงชีวิตและอุทิศชีวิตของเขาให้กับความถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้นำของคริตสตศาสนาที่เรียกว่ายุคปฏิรูปนะครับบทฟังคาอธิษฐานซึ่งเป็นคำอธิษฐานตอนเช้าของมาธีลูเทอร์ค่าพระองค์ทั้งหลาย ขอบพระคุณพระองค์พระบิดาในสวรรค์โดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรที่รักของพระองค์ที่วันนี้พระองค์ได้ทรงปกป้องข้าพรองค์ทั้งหลายตลอดทั้งคืนจากอันตรายและความชั่วร้ายและข้าพรองค์ทั้งหลายวิงวอนพระองค์ให้ทรงคุ้มครองและรักษาข้าพรองค์ทั้งหลายในวันนี้จากความบาปและความชั่วร้ายทั้งสิ้นที่อยู่ในความคิดคำพูดและการกระทํา ทั้งสิ้นของข้าพงษ์ทั้งหลายข้าพงษ์ทั้งหลายสามารถรับใช้พระองค์และทําให้พระองค์ทรงพอพระไทยข้าพงษ์ทั้งหลายมอบร่างกายและชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายและทุกสิ่งที่เป็นของข้าพงษ์ทั้งหลายไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระองค์ได้เฝ้าดูข้าพงษ์ทั้งหลายเพื่อมารร้ายจะไม่มีอํานาจเหนือข้าพงษ์ทั้งหลายอาเมน